بسم الله ن الشيطان ر ا ي م بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين เรِ ن ับบนเว ا ل กันนั่งสตัْน์อินเดนศรัตต์อัลมุสตัคีม ن รัَตْอَลลัَินะอัْมัมْะอัลัยห์ْ์กไหรล์มัลตูบอْลัยห์ม ل วัลัฟตّอัล ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ให้เดินอัศร์รَตอัลมَสตัค ع َศรัตอัลลาดีนอัลงามตะอไลห์มไกรอัลมาฮุดบีอัลไลห์มวะลา ن ต รับบิล عالم ي إ ن ا ลรัฐมานีอัรัมมาลิกอุ ا ิตี ن ียะกันอัมบุดู ن ียะกันอัต ا ตย์น์อิจ م ีนัลสิรัต อَลล ر ฺِเร م َูในที่นี้แَ ي ْัِงด و َุลลิลลอฮฺอัลลอฮฺอ الله ฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอัลเอฮฺอัลาอฮฺอัลลอฮฺอัฮฺอัลลอฮลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลลลอฮฺอัลฮฺอัฮฺอัลลอฮอัลลอัอฮัลลฮ ท่แล้วก็นี่แปลว่าจัดเป็นแถวจัดเป็นกลุ่มนั่งกันสองคนสามคนสี่คนที่ทําแบบนี้เพราะว่าเราได้เห็นท่านนาบีไม่ใช่เห็นดิเพราะเราเกิดที่หลังมาอีตั้งชั้นสี่ีเรารับรู้ว่าท่านนาบีเนี่ยอ่านท่านกุรอานบางทีท่านก็อ่านคนเดียวบางทีก็อ่านสองคนบางทีก็นั่งอ่านหลายหลายคน ท่านนบีจะนั่งอ่านกับท่านยิบรีนอะลยจิสลามเนี่ยนะอ่านพวกสองคนนี่นะยิบรีนมาอ่านให้ฟังนบีก็นบีก็ฟังบิงทนบีอ่านยิบรีนก็ฟังอย่างนี้เขาเรียกว่าคัละกอ้ออุปัานนั่งกันสามคนสี่คนได้ไหมได้ห้าหกคนได้ไหมได้ท <Yeah. S 1> ี่ที่บ้านเนี่ยที่ทําแบบนี้ต้องการจะให้กําลังใจผู้ปกครองนะที่อยู่ที่บ้านเนี่ยพยายามให้พ่อให้ พ, หพยา ให้ลูกสาวลูกชายแล้วก็หลานด้วยที่บ้านนี่นะเขาเรียกว่าฮัลละกอพูดอ่านที่บ้านอย่างน้อยวันหนึ่งสักสิบนาทีสิบห้านาทีกึ่งชั่วโมงใช่ไหมเพราะอ่านเพื่อเพราะอ่านแล้วก็เราก็ฟังกันดูว่าใครอ่านผิดแล้วก็แล้วก็บอกว่าเออผิดนะเช่นอันอามบางคนอ่นอามอ่มีมีไหมมีแล้วก็ต้องเปลี่ยนกันมีอเลิกนะอ่นอามแต่อะไรฮิมใช่ไหม ร้อยตัวเรียนว่ามันถูถูหน่อยใช่ไหมบิสมิลลอาอาจจะงี้บิสมิลลาใครยาวก็ใครอ่านไ่ถูเราก็สอนกันเตือนกันบอกกันทีนี้ครั้วก็คุณอ่านสลับวันนี้เนี่ยเราจะนำเอาคุณอ่านซูระอะไรนะฟาติฮะฟาติฮะแปลว่าอะไรเปิดอาจารพบทอาจารพบทแปลว่าเปิดเนี่ยนะใช่ไหมมีทั้งหมดกี่อายันนะลองนับดูสิหน <7 S 2> เจ็อายะอา่าเาระบุตรเนี่ยฟาติฮานี่มีทั้งหมดเี่อายะนะเจ็ดอายะจะอธิบายเท่าที่เวลาจะหมดนะครก่<ม>อนที่จะอ่านอัลกุรอ า, รรานนบีสั่งนะครับเพราะว่าก่อนจะอา่านกุรอานให้ไล่ชัยตอนก่นอนเพราะชัยตอนนี่อิทธิพลมันเยอะมากคือมันยุเนี่ยไม่ให้คนมุสลิมเนี่ยอา่อานอัลกุรอานถ้ามันยุไม่สําเร็จมันก็ ถ้าเราถ้าเรามาอ่านคุรอารานแสดงว่าชัยตอนเนี้ยุเราไม่สมําเร็จใช่ไหมเรามาอ่านคุรอรานแต่ถ้านก่อนจะอ่านก็ให้อ่านไงเอาอุบิลละฮิมินัชซาตอนอิรอดีนเอาดูแปลว่าฉันขอความคุ้มครองเอาดุฉันขอควา ม, มคุม้มครองเอาซุบิลละฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เราไม่ได้ขอความคุ้มครองจากเจ้าที่เจ้าแม่มเจ้าพ่อที่ไหนไม่มีนะ เราไม่ได้ขอความคุ้มครองจาก้ตัวตะเกียรช่วยหน่อยเราก็ไม่ทําขอความคุ้มครองจัวโต๊ะระยอมแล้วก็ไม่ทําขอความคุ้มครองจากเจ้าพ่อเจ้าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราไม่ขอเราขอจากใครนะ <Allah. S 2> อ๋อนี่เป็นนะนะเป็นมารยาทของคนที่เป็นมุสลิมจะขอความคุ้มครองนะขอจากอะไรไม่ได้ต้องขอจากอัลลอฮ์องเดียวอ้าวคืบินละฮิมินัชไซต์ตออัลลอฮ์คุ้มครองไซต์ตอ ไยตอนนี่เป็นมักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนมนุษย์นี่แหละแต่ไยตอนถูกสร้างมาจากอะไรเอ่ยไ ฟ, ไฟาจากไฟมาะเละกาถูกสร้างมาจาก<ฟ>รัศมี<ฟ>รัศมียินถูกสร้างมาจากเปลวไฟคนถูกสร้างมาจากดิน<ฟ>อ่ากลงว่ามักลูกสี่รายการเนี่ย ที่มาคนมันหนึ่งไซต์ตอนมาจากปไปคนมาจากดินยินมาจากเปล ว, ปลวไฟ <ป S 2> <ไป S 1> แล้วก็ ม, มาลายกามาจากรัญญสเีญญมาจากราัสเซียดัน้นเราขอความคุ้มครองจากไซตอนเพราะไซตอนเนี่ยเป็นไรนะนิโรธีเป็นถูกสิ่งที่ถูกสาบแช่งอัลลอฮฺอัลบดิฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้พ้นจากไซตตอนที่ถูกสาบแช่งเพราะไซตอนมีอิทธิพลมาเยอะนะ เคยเห็นหน้าเชื้ตอนไหมเคยไหมไม่เคยไม่เคยนะเวลาเชื้ตอนเนี่ยเราไม่เคยเห็นหน้ามันแต่เวลาเราโกรธจัดๆนี่นะเวลาโกรธจัดโมโหจัดหน้าแดงมือสั่นเนี่ยไปยืนอยู่หน้ากระจกบ้างไปดูว่าเชื้ตอนตัวจริงมันเป็นยังไงเราลองพยายามดูนะเวลาโมโหนะโมโหมากๆเดี๋ยทําไงไปไปยืนหน้ากระจกไปอ้านี่เชื้อตอนอย่าให้อเเนี่ยนี่คือเชื้ตอนแทนแหละใช่ไหม ใช้ตอนเนี่ยนะหน้าที่ของมันก็คือขัดยุโยงให้คนทิ้งนรามะยุโยงให้คนไม่อ่านคุณอ่านยุโยงให้คนทะเลาะกันยุโยงให้คนทับรำศีนายุคือความชั่วทุกชนิดเนี่ยมาจากใช้ตอนบนเลยฉะนั้นเวลาเราอ่านอ่านกุณอ่านบางคนอ่านอ่านอ่านคุณอ่านาเนี่ยไม่รู้ความหมายมีไหมมีเยอะแต่ได้ผลบุญไหมได้ผลบุญ แต่อย่าให้เชตร์ตอนมาอิทธิพลเหนือเราพราะอ่านคุรานวะาจะอ่านคุรานแล้วว่าอ่านกุรานจะมีน้ําน้ำมาัก่อนนะนนำมั น, น ม, มียังมี <Yeah. S 1> นะน้ำมันมีไหมมีนะมีไห <Yeah. S 1> ม ม, <Yeah. S 1> มีน้ำนา้าำมัสําคัญที่สุดการรักษาน้ําน้ำมาัเนี่ยเพราะน้ําน้ำนามาัเป็นอาวุธเป็นอาวุธลับคนกาเฟสไม่รู้จักแต่เรารู้จักอาวุธเป็นอาวุธปกป้องอะไรก็มาปกป้องใส่ตอนไม่ให้เข้าใกล้ตัวเรา ท่านรักษาน้ามนมัสต์มีอยู่คนหนึ่งซอบ้านนบีท่านหนึ่งชื่อไซดีนาบีลาสตอดียัลลอฮฺอวันหุนวันที่นบีขึ้นเมรอดไปข้างบนนั้นนบีก็อัลลอฮฺให้ยิบรีเนพาทัวทันฟ้าทั้งหมดเลยพาทัวนะทันฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็ไปเข้าอยู่ในสวนสวรรค์เห็นท่านาบีลาสเนเดินอยู่ข้างหน้าพอลงมาเนี่ยนบีจํารองเท้าของไซดีนาบีลาสได้คือเดินอยู่ข้างหน้านาบี พลนบีลงมาจากเมรอยมาเจอเาสนาเบินรางก็เรียกมาบิ็รานมานี่สิฉันเห็นคุณเห็นเอยู่ข้างหน้าฉันจำรองท้าคุณได้คุณมีอะไรดีหรือคุณทำอะไรหรือท่านบิลาน่อประชันทำสองสองอย่างฉันจะรักษาน้ำน้ำมาพอน้ำน้ำมาดบกหมดภาพไปอาบน้ำน้ำมาดเลยน้ำน้ำมาดหมดภาพไปอาบน้ำน้ำมาดเลยพออาบน้ำน้ำมาดเสร็จแล้วก็มาดมาดสองรอกันเรียกว่าน้ำมาดอะไรนะ นมา้ยาตุนลนมาให้เกียรกับกับน้ำนำมาเนี่ยใครทำนะไซดีนาบิลานนบีก็บอกโอนี่คุณทำความดีแบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺผพอใจอ้าวจะอ่านกุณอานนี่อ่านังอูซบิลล่าฮิมินาออนอนอนอูซบิลลนี่สาคัญมากนะเวลาโมโหอ่านอูซิบิลล่าเยอะ เวลาคนทะเลาะ ก, กันอะไรกันอาอุณจบิป็นมลินเปนาชัยตอนเยาว์วัยเวลาโมโหเนี่ยวิธีปราบโมโหทำไงปอนจีมแล้วเตือนขึ้นมอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ตอนทามีคนมาเล่าเรื่องดีๆบอกว่าคุณเนี่ยนะมีรางวัลทานุเรียนก็จะมอบรางวัลให้คุณดูคุณเนี่ยรู้หลอหนะ้าดูเลยนะว่าง่<ม>าไม่ใช่ไม่ใช่ระวัแล้วใครมาชมคุณ คุณอยู่แถวสวนประถามหรออัลฮัมตูเดล่าคุณหน้าตาหล่อว่าไงอัลฮัมตูเดล่าคุณนี่น้าตาดีว่าไงมาหเวลาโมโหนี่วิธีปราบโมโหทําไงเนืองถ้าหากว่าเราอยู่ในท่ายืนให้เปลี่ยนมาเป็นท่าไรท่านั่งถ้าท่านั่งเลยยังไม่หายอีกให้ทําไงให้นอนนี่ซุน่านาบี ไม่รู้รเธอทํานํำมาใช้หรือเปล่าถ้าหาว่า น, น้อนรือยังไม่หายให้ลุกขึ้นมาอาบน้ําน้ำมาดพราะน้ําน้ำมาดพอถูพอถูของร้อนของร้อนถูน้ำเย็นมันก็หายไปแล้วก็แต่หากไม่หาเยพยายามเดินออกไปให้ห่างว่าเช่นสามีภรรยาหรือพี่กับน้องทะเลาะกันน้องสาวพี่ชายทะเลาะกันน้องก็เทียงพี่ก็เทียงจะเอาฉนะเอาฉนะัน่งทำอะไก็ยอมแพ้ก็สักคนสิแต่ว่าเนี ฉันก็เดินออกไปทงานแล้วอ่านว่าไงนะอบิมิลาิมิลลาฮิรราะห์มาิฮแปลว่าไรนะด้วยพระนามของผู้ทรงครุณาระนิรุสก์เมตตาเสมอเอาเอาาบิสมิลลาอนบิสมิลลาเนี่ยแปลว่าไรนะฉัน ฉันเริ่มทําความดีด้วยนามของอัลลอฮ์คำว่าบีมันมีอยู่สามคำบีอิสมาลลอฮ์คำว่าบิสมิลลาเนี่ยมีหนึ่งบีด้ว ย, วยอิสมาชื่อชื่ออัลลอฮ์แปลว่านะฉันเริ่มทําอ่านฉันเริ่มอ่านกุรอานด้วยนามของของัลลอฮ์มีอยู่สามความมีอยู่สามมีอยสามความหมายความหมายที่หนึ่ง ฉันเริ่มทำความดีด้วยนามของอัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งเรื่องที่2ดีไหมคนที่ทำความดีด้วยนามของอัลลอฮ์นี่ดีดีดีหรือไม่ดีดีมากนะพยายามรักษากันนะจะทำอะไรก่อนฉันขอทำความดีด้วยนามของอัลลอฮ์จะใส่รองเท้าด้วยนามของอัลลอฮ์จะอ่านคัมภีร์ด้วยนามของอัลลอฮ์จะกินอาหารด้วยนามของอัลลอฮ์จะออกจากบ้านด้วยนามของอัลลอฮ์จะนอนด้วยนามของอัลลอฮ์ เรื่องที่สองบิสมิลลาแปลว่าฉันขอความฉันเริ่มทําความดีด้วยขอความช่วยเหลือจาก All. อัลลอฮ์นี่ความหมายที่สองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ความหมายแรกฉันขอเริ่มด้วยนามของอัลลอฮ์ความหมายที่สองเริ่ ม, มทําความดีด้วยกา ร, รขอความช่ว ย, วยเหลือจากอัลลอฮ์สองแล้วนะข้อที่สบิสมิลลาอธิบายว่า ฉันเริ่มทำความดีขอให้บรารักัดมาจากอัลลอ์ด้วยความีแล้วนะมีบรารักัดข้อที่หนึ่งดนางของอัลลอ์ข้อที่สองให้อัลลอ์ช่วยข้อที่สมขอแล้วนะความจำเริญนบรารักัดที่มาจากอัลลอ์ามรายการดีๆั้มเราต้องนึกทุกครั้งนะแล้วก็บิสมิลลาเนี่ยว่าตอนไหนบ้างตอนกินข้าวใช่ไหม ตอนดืนน้ำใช่ไหมจะเข้ามัสยิดก็ต้องอ่านบิสมิลลาไเข้าของน้าก็อ่านบิสมิลลาด้วยถ้าว่าดูอาอะไรไม่เป็นแต่ความจริงดูอาเข้ามัสยิดมีไหมมีอัลลอฮุมมัต์มีอัลบวาบารัฮมติกดูอาเข้าของน้ำอัลลอฮุมอิดีอามุซูบิกาอินัลคุบุสีอัลฮบาอิจะนรถขึนรถจะใส่ใส่รองเท้าบิสมิลลาเนี่ยปิดปิดหน้าต่าง ให้ปิดหน้าต่างด้วยกับอ่านบิสมิลลาจะเปิดทีวีกดทีวีดูบิสมิลลาจะใส่รองเท้าบิสมิลลาอาหารที่อยู่ในครัวเราเนี่ยบอกบอกบอกบอ ก, บอกแม่บ้านด้วยที่บอกภรรยาที่บอกแม่ด้วยบอกคุณแม่ด้วยหรือบอกพี่สาวที่ดูแลอาหารเนี่ยปิดเนี่ยปิดอะไรนะปิดฝาหม้อฝาแกงให้อ่านอะไรนะบิสมิลลา ยืนสองกระจบก็ต้องอ่านบิสมิลลาด้วยพระมีตัวอ่านเฉพาะอัลลอฮุมะกามาฮัซันตะฟลตีฟะฮซีนฟุลกีถ้าว่าอะไรไม่ได้บิสมิลลาสองกระจบขตนั้นก่อนจะทำความดีทุกรายการให้อ่านบิสมิลลาสรุปใหมยนะบิสมิลลามี3ความหมายใช่ไหมหนึ่งฉันเริ่มทำความดีด้วยนานของอัลลอฮ์สองเริ่มทำความดีขอความช่วยเหลือจากอัลลอ์ให้งานมันสาเร็จ ฉันขอทำทำความดีด้วยนะหวังความบารักาศความจำเริญจากอัลลอฮ์สุบฮ์ต่างาบิสมิลลาฮิร็ะมานิรรหีอัลลอฮ์มานแต่อะไรนะผู้ทรงการุณาปราณีอัลลอฮีมผู้ทรงเมตตาเสมอสองคำนี้มีความหมายต่างอัลลอฮ์มานแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงการุณาปราณีกับคนทุกคนบนโลกใบนี้ มันจะคนอย่างเดียวนะแพ<ห>ะแกะวัวควายสัตว์ทุกชนิดสัตว์ที่อยู่ใน ใ, ในในใ น, ในมหาสมุทรต้นนต้นไม้แสงแดดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มลกาคนเอ า, าศาสนาไม่เอาศาสนาอัลลอ์ดูแลหมดเลยแต่เพียงผูดเดียวอัล์มานคำ น, นี้เข้าใจนะฉันรกว่าอะไรนะอัลลอ์ดูแลหมดเลยแม้แต่คนไม่เอาอัลลอ์อัลลอ์ก็ดูแลเข้าใจไห คนที่ด่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ดูดูแลคนที่มาสุยู่ตอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ดูแลทุกศาสนาอัลลอฮ์ดูแลหมดแต่อัลลอฮิมาเฉพาะจอจงอัลลอฮมแปลว่าผู้ทรงเมตตาเสมอคำนี้เขาเรียกว่าตามามุรราะห์มากามาอุรราะห์มาความเมตตาของอัลลอฮ์จะสมบูรณ์ขึ้นชายกับใครกันไหมชายบนโลกอัล์มานชายบนโลก ดุนยาอัลลอฮิมชายในโลกอัครีรอพระแจ้าวันโลกอัคิีรอมีหรือไม่มีมีครับทุกคนจะต้องนึกถึงโลกอาครีรอตลอดเวลาฉะนั้นพอจะโลกอัครีรอเราฟื้นขึ้นมาจากหลุมกูโบนวันนั้นแหละอัลลอฮ์จากคนที่เข้าสวรรค์เนี่นะเฉพาะคนมุกมินเท่านั้นถ้ามาใชม่มุกมินอัลลอฮ์ให้แล้วบนบนแล้วนะบนดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ให้แล้ว พอแล้วแต่มมเมนต์อัลลอ์ให้อีกโอดนึงอี้อาเวลาที่ขอทุอาขอว่าไงนะรบบนาอาตินาฟิุนยาฮัสานะวาฟิลอาฮิโรติฮัสานะวาฟินาอาดาบานแต่ว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานให้กับเราฟิดุนยาในโลกนี้ฮสานะมีความดีวาฟิลอาฮิโรติและโลกหน้าก็มี ควา ม, มดีวะกีนาอาณาบนาน่าคสุดท้ายนี่ดีขอแล้วแต่ปกป้องอย่าให้เราเนี่ยตกนรกถ้าคุณกาแฟไม่อคือ่านดูอาบนนี้เลยได้ไหมไม่ได้ได้เฉพาะดุนยามุเมินได้ได้กิโลกสองโ <มา S 1> ลกใช่หไหมนี่ไงบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาประณีผู้ทรงเมตตาสมอเวลาจะอ่านบิสมิลลาฮ์ตนึกความหมายด<ส>ีมากเลย ต่อมาบิสมิลลาเนี่ยในนมาดในนมาดนมาดอิชานมาดมะเร็ปนมาดซูโบเนี่ยต้องอ่านฟาติฮ่าใช่ไหมใช่ถามว่าอ่านบิสมิลลาเสียงดังหรือเสียงค่อยเสียงดังหรือเสียงค่อยเสียงดังหรือเสียงค่อยบิสมิลลาเนี่ยนบีอ่านแต่นบีอ่านเสียงค่อย ท่านทุกนามาต้องอ่านอุลิบิลลาเนี่ยนะอุลซิบิลลาเสียงค่อยบิสมลิลลาเสียงค่อยแล้วก็อัลลฮฺมุลิลลาฮิร็อบบิลลาเรมีอ่านเสียงตัางเลยแต่ท่านอ่านนบีจะอ่านบิสมลิลลาเนี่ยเสียงค่อยในนานมาตเสียงดังดังเสียงค่อยน บ, บีก็อ่านบิสมลิลลาและอ่านอุลซิบิลลาด้วยในนานมารวมไปถึงพออ่านไรนะข้ออ่นานฟาติฮจบแล้วจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นซุลรอใหม่เนี่ย อ, อ่านบิสมิลลาอีไหมอุลมามส่วนใหญ่บอกว่าไม่ต้องออไม่ต้องอ่านนะอุลามาส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องอ่านเลยนั้นถือต้องว่าบิสมิลลาต้องอ่านหมต้องอ่านในน้ำเสียงดังเนี่ยอ่านคอ่อยจะอ่านดังอ่า น, นค่อยๆเหมือ น, นใครเหมือนท่านนาบีมฮัมมัดลลุลนนบีเคยอ่านละซอบานนบีได้ยินหมดเลยอทีนี้ต่อมาครับอัลฮัมดุลลอัลฮัมดุลลาอะไร บันดาการสรรเสริญท้งหลายเป็นของอัลลอฮฺอัลฮัมดแปลว่าการสรรเสริญท้งหลายลิลละเป็นของอัลลอใครที่กล่าวคำนี้เนี่ยนะมาเลกาเนี่ยจะแถมให้มาเกาอยู่ที่ตัวเราจะแถวยังไงนะรอบบิลอาดีวมีใช่ไหม เธอยะให้มาให้ะให้มากาอยู่เฉยๆนะทำาหารด้วยเราก็ต้องทำเยอะหน่อยทำิลลาอเมริกาตอบร บ, บลาลมีอ้าวใครใครอ่านแถมให้นะมะกามะกถ้าเราอ่านหมดเลยอะอ่าทำยูริลลาฮิรอบลาแล้วมีมาเลกาอ่านตัวไหนรู้ั้ยอัลลอฮุมะฟิร์ลีอาบดิกะ มาเลยาขอถูงเาต่อหรว่าไงนะอัลลอฮุมะกฟิร์ตรืออะดีกัโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮจะปดอภัยโทษให้กับบาปของท่านด้วยที่อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิราลลมดีได้ไหมดีดีทาด้านตั้งแต่วันนี้ไปพยายามให้ลิ้นของเราเปียกชุม่มโดยการสารเสริญอัลลอ์ไม่มีคาใดในอิสลามที่จะ คำที่ดีที่สุดก็คืออัญชันตูดิคำนี้เราเรากล่าวกันเมื่อไหร่้นมาก่ากันตอนไหนตอนกินอาหา ร, รอิ็มแล้วตอนตอนดื่มน้ำอิ่มแล้ ว, แ ล, วและอย่างนึงนะั้นอนอิมแล้วตื่นขึ้นมาอัญชันตูดิแล้แล้วก็ตอนทามีคนมาเล่าเรื่องดีๆบอกว่าคุณเนี่ยนะมีรางวัล ทาเรียนก็จะมอบรางวัลให้คุณรูกคุณเนี่ยรูห้หลอหน้าดูเลยนะว่าไงไม่ใช่ <c ười> ไม่ ช, มมชว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วใครมาชมคุณคุณดูแต่สมุดบัตรถามหรืออัลฮัมดุลิลลาห์<ะ>คุณหน้าตาหล่อว่าไงอัลฮัมดุ ล, ล<ะ>ิลลาห์คุณเี่หน้าตาดีว่าไงอออ๋อใช่ไหมไม่ใช่เวลา ชมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลลอยมีเป็นตฉนนั้นอัลฮัมดุลลอฮ์ยูรับบิลลาลามีบรรดากาสะเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอ์พระผู้อภิบาลแห่งจักรวาลยูนิเวอร์สในภาษาอังกฤษยูนิเวอร์สก่อนนางงามจักรวาลเขาเรียกงานอะไรยูนิเวอร์สยูนิเวอร์สคุณิงเเวอร์ของอัลลอ์เข้าใจป่ อัลล์เนี่ยเป็นรบบุลาอลเมินพระผู้อนิบายแทนยูนิเวอร์สเขาว่ายูนิเวอร์สเนี่ยอธิบายยังไงโลกของมนุษย์โลกของสัตว์โลกของมายอีก้งโลกของยินโลกของต้นไม้โลกของดวงอาทิตย์โลกของดวงจันทร์โลกของดวงดาวเป็นโลกหมดเลยปลาก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งแค่นั้นอุลามะแนะนำาว่าโลกทั้งหมดนี่มีประมาณ4 0 0 0มืน บางรายงานว่า 80,000 โลกด้วยกันเยอะไหมอโอ้นนี้เวลาหมดแล้วนะเสียดายมากอ่านจกว่าไงนะุาาะรบ